Natural immunity. Natural, natural immunity. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภูมิคุ้มกันสวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกๆ ท, ท่านนะครับพบกับผมคํำผังภูมิทัพทิมตัวแทนผู้จําหน่ายบริษัทโฟร์ไลฟ์ประเทศไทยนะครับพบกันผมก็นําเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันธรรมชาติมาพูดมาคุยให้กับทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันเถอะครับการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในเสาหลักของสุขภาพโดยรวมนะครับการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงได้โดยเฉพาะจะช่วยในการกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดทาให้ภูมิคุ้มกันเดินทางไปทั่วร่างกายได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าระบบเลือดหมุนเวียนดีนะครับระบบภูมิคุ้มกันก็สามารถที่จะเข้าถึงตำแหน่งของโรคได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับการออกกำลังกายช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยและนอกจากนี้ยังช่วยให้กระดูกของคุณแข็งแรงนะครับการออกกำลังกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภูมิคุ้มกันนะครับ บางส่วนของทฤษฎีนะครับของการออกกำลังกายก็บอกว่าการออกกำลังกายนะ่จะช่วยขับล้างแบคทีเรียออกจากปอดและทางเดินหายใจช่วยลดโอกาสของการเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคอื่นๆก็ได้นะครับ การออกกำลังกายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแอนติบอดีและเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ในการต่อสู้กับเชื้อโรคการไหลเวียนที่ดีของเลือดจะช่วยให้แอนติบอดีสามารถเดินทางไปทุกที่ทุกทางได้อย่างรวดเร็วนะครับการไหลเวียนของเลือดที่ดีจะช่วยทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถที่จะตรวจพบ ควาเจ็บป่วยในร่างกายของเราได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอุณหภูมิของร่างกายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆในระหว่างการออกกําลังกายหรือหลังออกกําลังกายอาจจะช่วยยับยั้งแบคทีรียไม่ให้เติบโตได้นะครับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับมันจะช่วยให้ร่างกายของเราต่อสู้กับการติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งกระบวนการนี้มันก็จะคล้ายๆกับขบวนการที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณมีไข้นะครับ การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกๆคนนะครับแต่คุณก็ไม่ควรที่จะออกกําลังกายที่หักโหมจุดเกินไปนะครับผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจําและก็ออกกําลังกายดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นจนเหนื่อยล้านะครับทีนี้กับคําถามที่ว่าการออกกําลังกายมากแค่ไหนจึงจะดีมีการศึกษาแนะนําให้ออกกําลังกายในระดับปานกลางนั่นก็คือประมาณ30นาทีต่อวันนะครับ จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการเดินได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและสนับสนุ น, นกลไกของการป้องกันโรคโดยธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณออกกําลังกายมากเกินไปละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นพึงตระหนักให้ดีนะครับว่าการออกกําลังกายที่มากเกินไปอาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณลดลงได้ นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อจะต้องสะสมความเครียดจนทําให้เกิดฮอร์โมนความเครียดและก็จะไปกดภูมิคุ้มกันซึ่งจะเป็นการลดทอนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันนะครับพยายามออกกําลังกายในระดับที่ปานกลางเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงอยู่เสมอนะครับถึงตรงนี้คุณก็พอที่จะวางแผนในการออกกําลังกายของคุณได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมนึกถึงสภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับ รวมถึงอายุของตัวเองด้วยออกกําลังกายให้เหมาะสมตามสภาพของร่างกายและก็ตามอายุของตัวเองนั่นคือการออกกําลังกายที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเพื่อให้คุณได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคุณก็ควรใส่ใจในเรื่องในเรื่องของอาหารที่รับประทานการพักผ่อนที่เพียงพอและก็ เพื่อความมั่นใจในระบบภูมิคุ้มกันของคุณนะครับขอแนะนำให้คุณได้เพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายด้วยนะครับ ฟัภูมิคุ้มกันธรรมชาติเป็นผลิตผลมาจากเซลล์การจ ด, ดจําเชื้อโรคจากธรรมชาติเองมีตัวอย่างของเชื้อโรคมากมายนะครับที่จะช่วยเพิ่มจํานวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันสอนภูมิคุ้มกันของคุณให้ฉลาดให้รู้จักกับโรคเพิ่มเซลล์การจ ด, ดจำเชื้อโรคและเพิ่มเซลล์นักฆ่านักล่านะครับและภูมิคุ้มกันธรรมชาติก็ยังจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างแอนติบอดีให้กับร่างกายนะครับทำให้ร่างกายของคุณนั้นผลิต แอนติบอดีได้อย่างรวดเร็วนะครับทันต่อการรุกรานของเชื้อโรคนะครับคุณสามารถสังส่งซื for life, ้อฟอร์ไลท์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติได้ในเว็บไซต์นี้เลยนะครับหรือหากว่าคุณต้องการอยากจะได้คําปรึกษาคุณก็สามารถที่จะติดต่อกระเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของเพจเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับและถ้าไหนนะครับต้องการอยากจะร่วมทีมเป็นตัวแทนจําหน่ายกับเรานะครับคุณก็สามารถที่จะคลิกลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์นี้นะครับ ขอบคุณทุหรับการรับฟังนลครับพบกับผมได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อไปช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ